أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن وت ك و ن ن من الخاسرين รับบานาเอต الدنياحسن وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن, ح س ن, س ن ح س ا وقناعذاب النار الحمد لله ชูกรต่อ a l سبحانه แะ تعالى นะครับสำหรับการที่เราได้กลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในม ج จลิสอัลซิค์ร์มิจลิสอัลตาอารุสมิจลิสุลลมีแล้วแต่เราจะเรียกนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นมิจลิสที่ เราหวังชากล่องสุภานแล้วว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฟื้นฟูกำลังใจอิมานของเราให้สดใสขัดเกลาความรู้สึกของเรานะครับให้สะอาดหลังจากที่มันได้ต้องพบกับอะไรอย่างในชีวิตอัลฮะม์ดุลิลละเรายัางมีอัลกุรอานของอัลลอฮฺสุภานแล้นะครับที่คอย เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจและเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเราเป็นกำลังใจที่สําคัญมากนะครับในการฟื้นฟูความรู้สึกและความคิดของเรานะครับทุกๆวันที่เราได้กลับมาเข้ามาหาคำพี์ของล่องสุนัขอัลลอฮฺอัตลอฮฺพี่น้องครับสุรัตุลมุดดะซิลมันเหมือนกับว่าเรากําลังถอดรหัสสุร้อนี้อยู่นะครับเราหวังว่าเราอยากจะได้อะไรจากเนื้อหา หรือบทเรียนจากสุร์นี้นะครับผมเองก็กลับไปฟังตัซีนะครับจากบรรดานักวิชาการนะครับซึ่งเราต้องพึ่งพวกเขานะครับบารฮานอัลลอฮ์อัลกุรอานเป็นอะไรที่มหาศจั์จริงจริงสุร์เดียวกันแต่คนตัซีหรือคนสอนคนละคนกันเราก็ได้รับความรู้เพิ่ม สุบฮานัลลอฮ์มะชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรนักความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่า อ, อ, อะไรนะการผูกขาดมันไม่มีการผูกขาดความรู้ว่าเออถ้าจะเรียนทัศซ์ศิต้องเรียนกับคนนี้คนเดียวไม่เรียนกับคนอื่นไม่ได้ ขออย่าให้เรานั้นคิดแบบนั้นนะครับแม้แต่ตั f ซี r ตำราท a f s เองเราก็จะเห็นว่ามันมีหลากหลายมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่ว่าในบ้านเราคือคนสอนทั f ซีรมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วในจำนวนที่น้อยเนี่ยมันก็ไม่หลากหลายมันไม่มีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทั f ซี r จริง เราเองก็งงๆปลาๆนะครับไปฟังเข้ามาไปอ่านจากที่อื่นมาไปแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองนะครับเไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือเจาะลึกถึงขนาดว่าสามารถจอะอธิบายเหมือนกับบัรดานักตักซีรื อ, อุลามะใหญ่ๆอัชสลฮมความรู้ของพวกเขานะครับคนหนึ่งอาจจะเหมือนกับ เป็นเป็นทะเลเป็นแม่น้ําแล้วถ้ามารวมกันอีกเนี่ยก็จะยิ่งเยอะมากเลยอันนี้เป็นความเป็นความสวยงามเป็นความอลังการของอัลกุ ร, ารอานเพราะฉะนั้นพวกเราอยา่ามีความรู้สึกว่าอน้ําที่อยู่ในแก้วของเรานะครับมันมันเต็มแล้วถ้าน้ําเต็มแล้วก็ไปหาแก้วใหม่มาเพิ่ม <laughs> อย่าให้มันเต็มนอย่ารู้สึกว่ามันเต็มมันยังมีที่ว่างอยู่นะครับที่เราจะเรียนจากหลายๆคนที่ ที่สอนในเรื่องของอัลกุรอานอะไรก็ดีนะครับอิชาลอัลลอ์วันนี้อ่าจะมาเพิ่มหรือว่าจะมาเรียนต่อเรื่องราวของที่เราพูดไปมีบางอย่างที่ผมอาจจะต้องทวนกลับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับมีข้อมูลบางอย่างที่ได้ไปเจอมาที่ได้ไปกลับไปดูมาใหม่นะครับอิชาลอัลลอฮ์วาตัแล้วอย่างไรก็ตามเรามาอ่านกันก่อนนะครับเราจะเริ่มจาก เอ่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่จริงๆแล้วเราอ่านแล้วแต่ว่าเราเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเรื่องเดียวกันอามุซบิลลัฮิมินัสชาอุตนิรรจีอูร์นีวะมันขลักตัวพีดะ แَะَี่ว่าอันควรของเรื่องนีَว่าเจ้าเกล้าทู ع ะห ل มา ا ัมมَูดาและบัณฑินชูห م ดาและมหัตตุละหูเตม ทุลُกกะดีแล้วทุ่มมายตั้งแต่เอซีดทَ่มมายันอัลฮะดีขลลาอินนุฮูแค่นั้นลีอายัตินะอาเนิดา จะอึเราะห์เขาซั่งดะฉ ر นั้นเขาฟังค์ร์ว่าคั د ด ثم ناظر ثم عبس وعبس ر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إِلَّا سِحْرٌ ي ُ ؤ ْ ث َ ر ذ إلا ْ هَذَا إ, <ت ص في ق> أ ر ل َ هذا إلا قول البشر سأصله س ق َ ر وَمَا ่ أدراك ما, ما سقر لا تبقي ُ ولا تذر لواحة للبشر عليها ع นะครับกลุ่มอายะตั้งแต่อายะที่สิบเอ็ดจนถึงอายะเนียเราบอกแล้วว่ากาลังพูดถึงหัวหน้าหรือระดับหัวโจกของบรรดามุชริกิน มักกะฮ์ของกุไร շ ์อันนี้อันคืออัลวะลีดิบนมุกีร์ัละตะลาเจาะจงถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆในอัลกุรอานเนี่ยเาเวลาที่พูดถึงการลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกกอาจจะมีความหมายโดยรวมได้แต่ว่าในอายัดเหล่านี้นะครับในสุรตุลมุดดซิร ละกำลังเจาะจงถึงบุคคลที่บุคคลเฉพาะนะครับทำไมที่ต้องเจาะจงถึงอลวลีอบุลมฮีระบุคคลผู้นี้มีวิรกรรมอะไรมีคุณลักษณะพิเศษอะไรที่ทำให้อัลลอ์สุบฮาวะลาจึงต้องพูดถึงเป็นการเฉพาะในท้งในสุร่าอัลมุดดะซิร แล้วค ah ่ะสุราห์เท่ไรมันเลิกกัสุราห์ลังสุราห์นุนนนลังปนครับดูอันนนะครับจรร니ว่ามันลักตัวฮีดะอัลลอบอกว่าลอยยฉันจัดการไอตัวนี้ خ ل ตัวฮีดะฉันสร้างมันหีดะตรงนี้มถึงว่าตัวตัวคนเดียวก็คือตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาสองคนได้ปะเกิดมาคนเดียว เกิดมาไม่มีอะไรเลยก่อนที่จะมีลูกหลานก่อนที่จะมีสมบัตินีอะไรก่อนตอนที่เกิดมามีทองใส่อยู่ที่ข้อมือเลยหรือเปล่าฮะมีอูดเกิดมาพร้อมกับกมีจักรไม่เกิดมาเกิดมาคนเดียวเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นหนึ่งในความหมายของคําว่าวัยเดีย์หมายถึงว่าอ้ลูรีดเนี่ยเกิดมาก็าเกิดมาคนเดียวหรืออีกทัศน์อีก อีกวิธีการท afsir หนึ่งก็าบอกว่าวอหิยันตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์ سبحانه และเพียงพระองค์เดียวที่สร้างสร้างถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้จัดการไม่ได้หรือเข้าใจไหมฮะที่ความหมายสองแบบที่เขาทั f ซ um <Huh? S 1> ja i r นะครับ ظ ه ر ن ว ومن خ ل ق ลักต ي ว ا و ج ด ل ت ه له مالا ممدودا และก็อัลลอฮ์นี่แหละฉันนี่แหละเป็นเป็นผู้ให้ ทรัพ ส, สมบัติที่เยอะให้กับอัลวะลิดอิมมุลโมรีรับนักท فس ีร์หรือนักประวัติศาสตร์บอกว่าทรัพสมบัติของอัลวะลิดมีเยอะมากมันดูเยอะบางรายงานบอกว่าตั้งแต่มัคกะจนถึงเมืองตอเอฟยาวมันเหมืนกับว่ามีที่ดินหรือมีมีอูดนะอูดของอัลวาลิดเนี่ย เลี้ยงตั้งแต่เขตแดนมักกะเป็นถุงตออิฟประมาณเกือบร้อยกิโลแปดสิบกิโลเยอะไหมคือเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนใช้มมสมัยเราก็คือถ้าบ้านเราถ้าปัจจุบันก็คือเราขับรถไปเนี่ยของเสียนะ <c oughs> ของเสียนั้นตั้งแต่ไห น, น, นตั้งแต่ถนนหน้าซอยไปจนถึงท้ายซอยนี่ของของเสียนั้นหมดเลยประมาณนั้นมันดูดก็คือเยอะมากอันนี้คือ อ่อทรัพย์สมบัติวันนี้นะชูฮูดะแล้วก็มีลูกชายเยอะเจาะจงเลยว่าเป็นลูกชายคนอาหรับเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าใครที่มีลูกชายเยอะจะได้เป็นกษัตริย์หรือจะได้เป็นคนเป็นผู้ปกครองเขาจะไม่คิดลูกสาวลูกสาวเขาจะไม่คิดเขาไม่ชอบลูกสาวคนโดยเฉพาะคนกุรดิคนอาหรับไอยเลียสมัยก่อนจะไม่ชอบลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัว นำสิ่งที่ไม่ดีมาให้กับวงตระกูลเป็นตัวซวยเพราะว่าเวลาที่เกิดสงครามถ้าสมมติฝ่ายใดแพ้ฝ่ายที่ชนะก็จะเอาเลยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยไปไปทำอะไรไปเป็นทาสไปเป็นมันก็เลยทำให้เกิดข้อดังพ้อยแก่แกวงตระกูลจึงไม่ชอบลูกสาวคนอารับใจหรืยัก์จะไม่ชอบลูกสาวนาั่นแหละที่มีอายะที่บอกว่า พออิจฉา่ามออู้ได้ทุกิลค่าลูกสาวเป็นเนใช่ไห้จาเรียนแต่ถ้ามีลูกชายอ่าจะพูดไม่หยุดเลยสมมติอ่าสมมติมีลูกเพิ่งเกิดมาใหม่หนึ่งคนถ้าสมมติอ่าวันนี้มีลูกเกิดมาหนึ่งคนคนเป็นพ่อนี่จะออกมาอวดละจะออกมาอวดกับบรรดาเพื่อนฝูงในวงน้ำชาแล้วนี่เกิดอีกแล้วคนหนึ่งลูกชายเอามาอวดอีกอ่าเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็น มันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เอามาอวดอ้างกับพรรคพวกได้อลวารีนี่จะมีลูกชายเยอะเป็นสิบนะครับแต่แป๊บที่แล้วเราบอกว่ากี่คนนะเป็นสิบสิบคนชูฟูดะมาถึงอยู่ทางขวามืออยู่ทางซ้ายมือจะไปไหนก็คือไม่กลัวไม่กลัวว่าถ้าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคนสืบทอด มรดกไม่กลัวไม่มีปัญหาเลยมีมีมีใครแบบมีอะไรมีคนที่จะมามีทายะมีทายะที่จะมาเสืบทอดองค์พระโกนของตัวเองอย่างแน่นอนมีเยอะขนาดนั้นยังไม่พอว่ามหฮัตตุละหูจำฮีดะมีตำแหน่งด้วยสามอย่างที่ทำให้คนเนี่ยเาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถือในสังคมหนึ่งมีสมบัติเยอะ สองมีลูกเยอะสามมีตาแหน่งเยอะมีสมบัติเยอะแต่ไม่มีลูกเยอะก็ะตายไปทรัพย์สมบัติก็หายมีสมบัติเยอะต้องมีลูกเยอะด้วยจะได้เป็นทายาทมีสมบัติเยอะมีลูกเยอะต้องมีตาแหน่งด้วยนะลูกกับสมบัตินี่แหละจะเป็นตัวกาหนดตาแหน่งเรียกว่าอ ja ัลวิเจาะพูดอะไรคนก็ฟังอัลว ja ิเจาะตำแหน่ง ในสังคมสถานะในสังคมพูดอะไรคําหนึ่งคนเตรียมที่จะฟังทันทีเลยอ า, ามาฮักจุระหูตำฮีดาแสดงว่าอัลวะลิดอิมิครอบจึงเป็นเบอร์หนึ่งของคนกูเรชในสมัยนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของคนกุเรชของสังคมกูเรชในสมัยนั้นมีพร้อมหมดทุกอย่างที่เป็นวัตถุปัจจัยที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้รับเกียรติหรือได้รับการเชื่อฟัง เวลาที่อัลลอฮพูดอะไรเนี่ยคนตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามทันทีนะครับทีนี้นอกจากจะมีพร้อมอย่างนี้แล้วเนี่ยยังยังได้อีกยังละโมบอีกสมัยยมะอัลอัีอยากจะมีพร้อมอกีกแต่ Allah วาะตาลลอทำอยังไงคา่าลไม่ให้ละเป็นไปไม่ได้ละหลังจากที่ปฏิเสธแล้วสร้างวิรกรรมต่อท่านนาบีลลัลลอฮมะัซและต่อคาเพียอขอร องอย์ที่18นะ17เนี่ยหมายถึงซาอรฮิูซอูดะในโลกนี้ a l l a จะตะจัดตัดนมิมัตของพระองค์อีกลไม่ให้ละส่วนในวันอัครา a l l a าจะลงโทษเขาด้วยการลงโทษที่พิเศษอดหิูฮูหมายถึงบังคับซาอูดะซาอูดะ ซาอุดิฮิบกซอูดซอูด า, ดาหมายถึงนันกศึกษารางบางท่านอธิบายว่าซอูดานหมายถึงก้อนหินในนรกเป็นก้อนหินที่ลื่นแล้วก็สูงถูกบังคับให้ปีกก้อนหินก้อนใหญ่นี้เป็นภูเขาเหินทใหญ่ในนรกจันทร์อันนี้เป็นเรียกว่าวีอพ วีอพีแบบหนักอะแบบลงโทษแบบอถ้ า, าแดนเป็นแดนเป็นแดนเฉพาะถ้าในตารางในคุกในตารางนี่เขาเรียกเป็นแดนใช่ไหมครับแดนอะไรเอามีแดนอะไรมัางไม่รู้แดนนี้เขาเขาตั้งเองหรือว่าตวกนักโทษตั้งเองหรึเป่าคนเฝ้ า, า<อ>ะนะระชับการเขาเป็นคนตั้งชื่อ ยังขนาดคุกในดุนยีย์ก็ยังมีแดนอันนี้นักโทษแบบเบาๆอันนี้นักโทษอชาชญากรรมอันนี้นักโทษนักโทษวีไอพีว่าไปอัลวารีดเนี่ยจะต้องบีนซาอุดนะครับอันนี้เป็นหนักดวงแต่ น, นี้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่านักกัฟซิด ท, ท่านที่บากว่าซาอุดันนี่ไม่จริง คอนเห็นโรคจั ana, ่นหนาอัลลอฮฺเป <hood oon. S 2> 네็นไรหนึาเลยคือปีนไม่ได้อ่ะปีนแล้วก็ลื่นลงมาปีนแล้วก็ลื่นลงมาเป็นการทรมานที่นะที่หนักตัวหนาวอัลลอฮเป็นไรหลทีนี้เหตุใดที่อัลลอฮฺสุภาอัลมาตาละถึงทำอย่างนี้กับอัลวารีอีกนึ่งโมเดลทำไมต้องลงโทษถึงขนาดนี้ทำไมต้องใช้คาว่ากัลละเป็นไปไม่ได้ตัดตัดหมดเลย อิน ahu แค่ในอายตินาอานิดะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นกับคำพีกับอายะอัลลอฮฺ سبحانه และดื้อรั้นยังไงดื้อรั้นยังไงอัลลอาลาจะอธิบายตั้งแต่อายะที่สิบแปเป็ น, นปตนน้นไปขอให้เรานึกถึงภาพรางทีเราบอกว่าเฮ้ยมันอะไรจะขนาดนี้กำลังจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอัลวะลีอิมมุกีรอถึงได้รับการลงโทษขนาดนี้ได้รับการประนามขนาดนี้จาอัลลอฮ์จุมฮานะคบเรื่องราวราวอัลวะลีกับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าอัลวะลีเข้าไปหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็อ่านสุรอกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่อัลวะลีคนเดียวทิ่ที่ยงใผ ม, มสลับ ตัวละครนหนึ่งมันจะมีอีกคนหนึง่งมันจะมีอีกคนหนึ่งที่เข้าไปหาท่านนาบีสุลออัลไม่ใช่อัลวาลิดนะครับในบริบทิศาแสดงว่ามันได้มันไม่ได้มีอัลวาลิดคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ในสีร์อิมนุฮชานนะฮะพูดถึงอีกคนหนึ่งที่ชื่ออัตบะอัตบะอิมนุรบบีออันนี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกฉากหน่ฉากที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นฉากของอตบะไม่ใช่ฉากของอัลวาลิดของอัลวาลิดเนี่ยมีสองกรณีซึ่งอิมมุก ครั้งแรกกรณีแรกก็คือเข้าไปคุยกับท่านอบูบักาะดิอัลลอฮ์อันะครับเข้าไปเจอกับท่านอบูบักัลลอฮอัอรายงานจากบนคับาวนอุรัลลอฮ์ลอัลลอลลออัลลอลลอฮ์อัลลฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอฮ์อัฮ์อัลลอฮลลฮ์อัลลลลอฮอัลลอลัลลออัลลอฮ์อัฮ์ออฮัลลออัลลอฮ์ลอั ل م ม يقول ابن أبي كمشة فوالله ما هو بشعر ولا ب س ح ن ولا بعذن من الجنون وإن قوله لمن كلام الله เคสที่หนึ่งก็คืออัลวาลิดเข้าไปหาอบดุลบาไปถามอบดุลบาเกี่ยวกับอัลกุรอานอัลกุรอานให้ฟังพูดถึงอัลกุรอานให้ฟังพอออกมาจากอบดุลบาเนี่ยเปลี่ยน สภาพเปลี่ยนไปเลยเฮ้ ย, ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับที่คนเขาโจดแจฉกันทั่วมักกะวะเนี่ยมันเป็นเซฮ์มันเป็นบ้ามันไม่ใช่อีกเคสหนึ่งอัลวะลีกับท่านนาบีเองสุลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเชฟที่ผมฟังตับซีนวันนี้แกบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบียืนละหมาดยืนละหมาดอยู่ที่กะบะ ที่มัสยิดฮะราอูแล้ ว, วลูกวัยเล็เดินผ่านมาก็ีที่ห่งท่านนบีอัลกุรอานจนกระทั่งมาถึงอายัดที่ว่าอะไรนะ فأنذرتكم ทุกมซ ت เอาะอะไรเราขอกล่าวตักเตือนเจ้าด้วยซอเอกร์ซอเอกร์ก็คือสายฟ้าฟ้า ใช่ไหมครับก็เกิดความกลัวขึ้นมาพราะถึงอายักนี้เนี่ยอะลออลิสเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วบอกท่านน่ะว่าหยุดหยุดห้ามห้ามคนละหมาดอยู่อย่าเพิ่งหยุดห้างแค่นี้ตัวเองกลัวแล้วสัตานแล้วเนี่ยฟังอลัลกุรอานอยู่สัตานซุห์ฮันอัลลอฮ์นะแล้วก็กลับออกไปไปเจอกับพรรคพวกของตัวเองแล้วก็ไปบอกกับคนเหล่านี้ว่า นี่เป็นคาพูดที่เป็นการยอมรับจากหัวน่าโคเรชเองนะควล์นะเป็นน่คำพูดคำพูดที่โดยประมาณนี้นะครับว่าวะลาห์ لقد نظرت في ما قال هذا الرجل فإذا هو ليس ب ش ع ر وإنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما ش ك أنه س ح ไปบอกกับพวกของตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ใช่ไสยศาสตร์อันนี้มันมีความหอมหวานมันมีความซาบซึ้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นฉันมันเป็นบทกวีก็ไม่ใช่ฉันนี่แหละเป็นคนที่รู้กวีดีที่สุดในงูพวกท่านคำพูดของมุ h ม m m ไม่ใช่กวีไม่ใช่นะ่เนาะฉันรู้ว่าเสห์เป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่เส เป็นคำพูดที่สูงส่งไม่มีอะไรที่จะสูงส่งไปกว่านี้อีกแล้วยอมรับด้วยตนเองจบไหมครับพวกโกเรชพอได้ฟังอย่างนั้ น, นหมดกำลังใจเลยจบเลยไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าอัลวานีเป็นเป็นอะไรเป็นแฟวน่าก็าเลยยกพวกกันไปหาหัวโจกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับุลฮักั ใครครับอบุลฮักกัมอบุลฮักกัมบิดาแห่งความฉลาลในสังคมกุเรชพวกเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมเพราะว่าพวกเราได้ยินชื่อตรงกันข้ามกับอบุลฮักกัมก็คือบิดาแห่งความโงภเผาคือใครคือฮคบิดาแห่งความโงภเผาภาษาอ раб ว่าอย่างไงอับบู Abu Jahl, <laughs> Abu Hakam ni pencahya, Abu Jahl, <laughs> ni sahaja mana, penconjalan. Tetapi, dia tidak menerima Islam, jadi dia menjadi pencahya. Maksudnya, Abu Jahl, Abu Jahl, ini adalah kondekan. Abu Hakam dan nah, Abu Jahl adalah kondekan. Semasa orang Al-Walid berkata seperti itu, dia menjadi Abu Jahl dan Abu Hakam. Kemudian dia berkata, "Sudahlah." ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าอัลลอลิบโดนละอบับดุลจาฮฺลกับอัลวาลีดอับดุลโมกีอลลรอห์เนี่ยเป็นยาต ก, กันแล้วก็รู้สัยรู้หุงกันก็เลยบอกว่าพอปล่อยให้ปล่อยให้อหอฮฺจัดการเอง <laughs> พวกแกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวออฮฺจัดการเอง มาจากเผ่าเดียวกันนะครับมาจากเผ่าบานิมักซูมเป็นพวกเดียวกันก็เลยรู้ว่าจะจัด ก, การยังไงก็เลยคิดแผนไปหาอบูไปหาอัลวะลี ถ, ถึงบ้านไปถึงปุ๊บอัลวะลีก็ตอนรับเพื่อนสาวยของตัวเองอย่างดียกนู่นยกนี่จะให้กินอบูจะฮาลิทำท่าน้อยใจไม่ยอมกินอะไร ท, ทําท่าไม่ยอมกินยกน้ำก็ไม่กินยกนู่นก็ไม่กิ น, ยก น, กกนยกนี่ก็ไม่กิน อั น, นี่ก็ถามเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทําไมไม่ยอมกินอะไรเขบอกว่าบุจญาแลก็เลยทําทีทํําทาเล่นละครนะครับดรามา่ากัรตนาแล้วครับทำดรามา่าไม่อยากกินแล้วทําไมอ่ะก็เพราะได้ยินว่าเนี่ยพวกเนี่ยพวกพว ก, พว ก, พว ก, พวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหเห็นว่ากําลังรวบรวมตังกันอยู่เศร้าวันนี้มาแบบเศร้าแนวเศร้านะ บอกว่เนี่ยกำลังรวบรวมตังกันอยู่เอารวบรวมจะเอาไปไหนรัดมบริจาคจะเอามาทําอะไรเห็นว่าจะเอามาให้เจ้านี่แหละฮะเอาให้กูทําไมอ่ะเนี่ยอ่ะอ้วนเนี่ยรวยที่สุดในในมักค่าเลยเจ้าจะเอาอไม่อ้วนทาไมไม่รู้สิเห็นพวกบอกว่าวันเนี้ยลือเนี่ยไปกินไปกินข้าวของอบูบัตไปกินข้าวบ้านอุมมัมบัดเนี่ยไปกินข้าวกลายเป็นเด็กกาพร้าไปเห็นว่า ไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมช่วงนี้ก็เลยต้องไปกินข้าวบ้านอบูบักไปกินข้าวพ้นมูฮัอ๋ออัลลอฮิสตพได้ยินอย่างนี้ก็โมโหโกรธเลยกรอนกรอนเพราะตัวเองเป็นคนรวยใช่ไหมโดนสบประมาทโดยเข้าใจก็เข้าใจโดนสบประมาทว่าตัวเองเนี่ยหมดผลทางก็เลยต้องไปพึ่งเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมอย่างอย่างมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะสซาลลัมกล่านอบูบักวะดีอลลอฮฺ เขาเลยโกรธขึ้นมาไม่รู้จะทํำยังไงอบดุลจารฮก็เลยแนะนําว่านะก็เลยออกไปอ่าออกไปหาออกไปหาคนที่กําลังกําลังรอรอฟังอยู่ก็เลยออกไปหาออกไปตอนแรกนี่ยไปพูดไปพูดเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะรับอิสลามออกไปถามว่าพวกเจ้าเคยเห็นไหมว่าเด็ก คนนี้เนี่ยเคยพูดโกหกคนที่ฟังอยู่อ่ะเขาบอกไม่เคยมหาเหมาไม่เคยโกหกแล้วพวกเจ้าเคยเห็นช้นโกหกไหมอัลวาลิเองเคยพูดโกหกไหมไม่เคยก็ไม่เคยโกหกเหมือนกันแล้วเขาพูพูดต่อไปว่าเหมือนกับให้คำรับรองว่า วะลอฮีขอสาบานกับ Allah ว่าสิ่งที่ฉันฟังจากเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เซฮ์ฮ์ฉันเป็นคนที่รู้รู้จักเซฮ์ฮดีและมันก็ไม่ใช่บทกวีฉันนี่เป็นคนที่รู้จักกวีดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าฉันรู้มันไม่ใช่พูดมันกับที่ตัวเองพูดเนี่ยที่บอกว่ามันมีความหอมหวานอัลกุรอานเนี่ยมันมีความหอมหวานนะครับมันมีอะไรเขาเรียกอ่ามันมีความอัศจรรย์ แต่ว่าพอนะพอโดนดูถูกอย่างเนี้อบุลจาฮก็เลยบอกว่าท่านจะต้องพูดคำพูดที่ทำให้คนพวกนี้มีความรู้สึกว่าท่านได้ลบล้างคำพูดของท่านก่อนหน้านี้ทั้งหมดเข้าใจไหมฮะอัลลิษก็เลยอินนหูแมายนียนี่มาแล้วอินนหฟักกะ พอทุกคนยอมรับว่าอัลกุรอานดีอย่างนี้นอย่างนี้อัลวาเลนก็นเลยแล้ ว, ลวอัลจะพูดอะไรเพื่อที่จะลบล้างคําพูดของอัลกอนหน้านี้ก็เลยกลับมาคิดกลับมาจัดแจงความคิดของตัวเองเครียดขึ้นมาทันทีจะเอาคําพูดอะไรออกมาเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาอะไรครับเพื่อที่จะมาลบล้าง อาการแรกของตัวเองเนี่ยเลาแตาละากำลังฉายภาพเพระเราเห็นว่าตอนนี้เราลองนึกถึงสภาพของอัลูรีดที่มีโมเลกุในขณะที่ตัวเองกําลังเครียดเดี๋ยวว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทํำยังไงคนอื่นกําลังสอประมาทตัวเองอยู่เนี่ยว่าไปกินไปกินน้ําอะไรก็เรียกบ้านพวกเด็กมีสิ้นกลี่นน้ํานมโดนโดนโดนทัไปแล้วก็เลยหาวิธีที่จะพูด เหมือนเวลาที่เราเครียดเราทํำยังไงครับเราเป็นยังไงเวลาที่เราเครียดคิดอะไรไม่ออกเวลาที่เราวางแผนอะไรสักอย่างแล้วเราคิดไม่ออกพยายามหาทางจะพูดอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยนี่คือความหมายคําว่าฟักุติแหละคิดแบบนี้คิดว่าจะตั้งฉายาให้กับมุฮัมมัดอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่อันนี้คือความหมายคําว่ากุติและเหมือนโดนเชื่อความคิดโดนเชื่อ คิดคิดคิดเฮ้ยต้องต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยพูดไม่ได้สมมะกุติลหลายร้อนะสมมะกุติละฟักกุติละใครฟักกรดับุมมะกุติละไครฟักกรดับนี่เป็นหนึ่งในจํานวนการอธิบายนะครับมันจะมีอีกการอธิบายอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอัลลอฮฺแต่นี่คือสภาพของอัลลอฮฺีดอินา ม, มกุกีรอฮฺคิดมามาก สมมสมมานมองไปทางนั้นมองไปทางนี้เวลาคนใช้ความคิดน่เาจะต้องอะไรงมองหันไปทาง้นหนไปทางนี้สมมอบสวบสรหน้าก็เครียดขึ้นมาอบาสาก็เือเครียดหน้านีเป็นภาพชัดเครียดมากวับบาสรบาสรเนี่ยยิ่งกดเครียดบสรเนี่ยเฉพาะ ตรงตรงเนี้ยระหว่ง Q, างคิ้วเขาเรียกว่าอะไรนะขมวดคิ้วหน้าขามวดคิ้วถ้าอ่านภาษาอ่านภาษาหนีทางหน้าใช่ไหมฮน ะ, ะส่วอ่านภาษไม่ถึงทางหน้าแต่บัษาเนี่ยเฉพาะตรงเนี้นูนเป็นเป็นรอยหยักขึ้นมาเลยด้วยความเครียดมากๆไม่รู้จะหาอะไรมามาอะไรมาพูดทําให้บรรดาลูกสมุนเนี่ยพอใจ ส่งอัจบัร์วัสจักบาร์แล้วก็ถอยหลังปิดหน้ามันก็ว่าไม่อยากจะให้เห็นไม่อยากจะให้ลูกน้องที่กำลังดูตัวเองอยู่เนี่ยเห็นสภาพของตัวเองตอนนี้ออัจบรัรถอยหลังกลับไปไปนั่งทิดอยู่คนเดียวเครียดอยู่คนเดียวอัลลอฮฺตุเอตบัตัวเองรู้รึปล่าครับว่าอัลกุรอานเป็นของจริงรู้สัมผัสได้ นั่นแหละที่เกิดความเครียดคือจะเอาอะไรมาปิดความจริงอ่ะพวกเราลองคิดดูอันนี้แหละที่ Allah t a า l บอกว่าอินนุแกนลอายาตินะอันี้ได้รู้แล้วว่ามันเป็นของจริงเข้าใจแล้วแต่รับไม่ได้เพราะมีไอ้ทิทธิมีคำาึกษประมาทของลูกน้องนี่มัน ช น, นักอยู่ข้างหลังอะทำไม่ได้ยอมรับไม่ได้อัลลอลอิลิลลอฮคนเวลาที่มันดื้อเนี่ยทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ยอมเครียดที่จะไปที่จะไปอะไรก็เรียกยอมหาวิธีที่จะมาลบล้างความจริงทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าลบ้าไม่ได้นี่แหละองาะละจึงลงโทษด้วยโทษที่เหมาะสมกับสภาพของความดื้อด้าน ม เ, มเหมือนกับว่าพยายามที่จะหาวิธีลบล้างสัจธรรมของท่านนบีสุลต่าก็เลยโดนลงโทษให้ปีนภูเขาภูเขาในนรกที่ปีนยังไงก็ปีนไม่ถึงลื่นลงมาต้องปีนอีกลื่นลงมาก็ปีนอีกเพราะอะไรเพราะสภาพตอนอยู่ในโลกดุญญนญยนี่ดื้อ แล้วก็พยายามหาวิธีที่จะลบล้างสัจะทำเหมือนท่านนบีสุลตาร์พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่สําเร็จพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่สําเร็จกุตีแหละเเค่สกษษดอีกแนวหนึ่งของอายันี้เนี่ยหมายความว่ากุตีลาเนี่ยถ้าแปลตรงๆแปลว่าอะไรครับข่าตายโดนฆ่าตายอันเนี้ยบางทัศนีลซึ่งนะครับหลายๆทัศนศีลอธิบายว่า เป็นการละนัะเป็นการละน ะ, นะนะจะอัลลอฮฺสุบไบร์ตัลลัลกะอัลวาลีมันคิดอย่างนี้ไนดะ้ยังไงให้ตายสิเราเคยมใช้ไหมคำว่าตายเนะี่ยฮะตายตายนี่มันใช้ได้เวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกตายตายตายตายซ <c oughs> าอุด์ก็มีเหมือนกันฟังกุฏีเหรอก็ตายตายแน่รอบนี้หรือบางทีเวลาที่เราว่าคนอื่น ไอโหงไอหาไปซะเอะมันก okay. mm ็มีเมนกันภาษารับเองก็ใช้คำนี้ฟักติลให้มันตายไปซะใครฟักดดลคิดอย่างนี้ได้ยังไงสมกุติลทวนอีกเป็นการเพิ่มการละนะจากลอสสุขานละอิละฮะอิละลลอฮนี่แหละครับคือสภาพของคนที่ดูได้และนี่ก็คืออัลวารีดอีพิมรีาะกับอายะของลอสสุขานดังนั้นอัลลอตะลาก็เลย นะสุดท้ายสุดท้ายผลออกมาอย่างไรหลังจากที่เครียดอยู่นานสองน้าสุดท้ายก็ออกมาเจอนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วที่ฉันจะพูดนะถ้าบอกว่าเป็นมุจลุนถ้าบอกว่าเป็นบ้ามูฮัมหมัดไม่ได้บ้าถ้าบอกว่าเป็นเชแอร์ฟกเจ้าก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เชอยร์มันมีแค่คาเดียวเท่านั้นที่ฉันสามารถจะสรุปได้ก็คือ คำพูดน <ginger> <gest> <eng> <section> ี้เป็นคำพูดที่มาจากเซพร فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا ق د البشر القرآن เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนอกจากต้องเป็นไสยศาสตร์เป็นเสพรอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนระหว่างเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความคิดชั่วช้าของบรรดามุสลิน เอาอัลกุรอานไปเปรียบเทียบกับเซฮ์หรือเอาด่าวของท่านนาบีสุลลัลละอุสซาลาห์ไปเปรียบเทียบกับเซฮ์มันมีส่วนตรงกันตรงไหนส่วนเหมือนตรงไหนในความคิดของคนพวกนี้เขามองว่าพวกนี้มันมองว่าเนื่องจากว่าเซฮ์เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยระหว่างในครอบครัวกันเองแยกกันใช่ไหมฮเซฮ์ที่ทําให้สามีหยากับภรรยา ทำให้คนนั้นทะเลาะกันเนี่ยนี่คือนี่คื อ, อโทษของการเซฮ์ Fl. ทีนี้ไอ้พวกนี้มันเอามาเปรียบเทียบ ว, ว่าท่านน บ, บีสุตลต่านละสัลลัลละด่าวะของท่านก็เหมือนกันทําให้ลูกทะเลาะกับแม่มุสอับบินอุมัยใช่ไหมครับมุสอับเนี่ยทะเลาะ ก, กับแม่ไม่ได้ทะเลาะหรอกก็คือแม่ไม่ได้รับอิสลามนะครับญาติพี่น้องพี่น้องทะเลาะ ก, กับพี่น้องเลยเอามาเปรียบเทียบแล้วเป็นเซฮ์ที่เขาเรียกว่าเซฮ์ที่เรียนมาจาก ชาติอื่นด้วยเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นเซฮ์ของชาวอาหรับอะ่ะมันไม่มีตัวอย่างเซฮ์ทุกประเภทนี้อัลวะลิดรู้จักหมดเซฮ์ของอาหรับอะ่ะเซฮ์ของพวกกูเรชเนี่ยพวกกูเรชรู้จักดีแต่ทีนี่อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นเซฮ์ประเภทมันหาไม่เจอในในสังคมกูเรชในสังคมมักกะเนในสังคมอาหรับไม่มีเซฮ์แบบอัลกุรอานก็เลยต้องทึกทักเอาว่าเซฮ์เนี่ยมาจากนอก นกประเทศอินปอร์ตเข้ามาเซรุนยุกษรุอันนี้ก็เรียกว่าอัชฉากรรมที่ใหญ่หลวงมากการกล่าวหาอัลกุรอานแบบนี้เป็นอัชยากรรมที่ใหญ่หลวงมากอาเป็นอหาบล้อลลอฮอัลลออัลลาฮฺอัลลัลลออลลฮอิลลอัลลอฮฺอัลฮัลอฮอัลลอฮลฮฺอััอฮฺอัฮอลลอลลั นี่ไม่ใช่คําพูดต่อๆละ่ะนี่คือข้อสรุปที่อัลวะลีอิมลุมูร์ละเอาออกมาแถลงการต่อหน้าบรรดากุกมุชริกีนพอแถลงการจบเสร็จจบเสร็จปุ๊บโอเคแยกย้ยายกันไปพอใจละดีใจละแล้วท่านหลัก็เลยกล่าวต่อไปว่าซาอุสลีฮิสักอรฉันจะเอาอัลวะลี เข้าไปในนรกที่ชว่าสักครว่าไมดรักมาสักครอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําให้กลัวรู้จักระเปล่าว่าอะไรคือสักครและจุบกตีเวลาจารสักครเนี่ยมันจะไม่ปล่อยทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยหมายถึงว่ามันจะเผาไม่จนหมดไม่เหลือชิ้นดี เวลาแทซรและก็เวลาที่มันเผาไวม้นี่ก็คือเผาไหม้ทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่ว่าไปเผาเฉพาะมือไปเผาเฉพาะส่วนทุกอย่างนี่คือคือความหมายมันใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการตอบย้ำว่ารกสกอร์เนี่ยนะครับมันโหดร้ายขนาดนันลวาเะื่ลบัชร์ลว่าฮะหมายถึง เหมือนกับมันจะทำให้ผิวเนี่ยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีธรรมชาติสีของผิวเนี่ยพอดนนรกไฟนรกนะครับมาก็จะนะทำให้สีนี่เปลี่ยนไปหมดนะอัลลอฮฺอะลัยฮิสซาตลาชารแล้วก็ในนรกเนี่ยจะมีเมาลากัดจำนวนเท่าไหร่ครับสิบเก้า สิบเก้าท่านสิบเก้าท่านที่เรียกว่าอัลลอบะญิย์ที่คอยดูแลหรือว่าคอยควบคุมนักโทษที่อยู่ในรนระกออฮเบิลละฮฺมินเพียนั้นครับคนพวกนี้เนี่ยพออายัดนี้ลงมาเนี่ยยังไม่จบยังมีเรื่องอีกกลายมาเป็นกลายมาเป็นประเด็นในอายัดที่สามสิบเอ็ดอีกเชียหรอเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าอายะดสามสิเ็ดมันเกี่ยวข้องยังไง พวกนี้พอท่านนาบีสุสลต่านสัน ล, ลามบอกว่าเอาคุาณอ่านลงมาบอกว่านารกเนี่ยจะมีเมลัยกัสิบเก้าสิบเก้าท่านสิบเก้าตนสิบเก้าท่านสิบเก้าเมลัยกที่คอยเข้านารกพวกนี้หัวเราะ ว, ว่าจิบจสิบเก้าคนเนี่ยเอาอยู่ไหมกลายเป็นเรื่องหัวเราะตลกขบขันเอาแบ่งกันดีกว่าถ้าสิบเก้าคนเดี๋ยวแบ่งกันคนละสองคนเอาไหม เอามาพูดเยอะเย้ยท่านนาบีสุสสลต่ลาน บ, บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแบ่งรักกูคนเดียวกูจัดการหมดพอกูลงนรกแล้วกูจัดจัดการหมดทั้งเจ็ดเก้าเก้าเจ็เก้าคนเนี่ยเจ็เก้าท่านเนี่ยนี่คือสภาพของมุสลิกีนมกกัตการหลังจากที่อายันี้ลงมาอัสาลามก็เลยก็เลยลงอายอัอีกอายัหนึ่งซึ่งมันยาวกว่าอายัดทั่วทไปในสุลตมุตดัซซิตอายัดที่สามสิบแปดบพวกนี้มันไม่รู้เรื่อง มันไม่รู้ว่ามลาาัอิอคัตแค่ท่านเดียวเนี่ยฮะชาวนารกทั้งหมดเนี่ยแค่ท่านเดียวก็พ อ, อได้จริงๆไม่ต้องเอา19บรับเ9เนี่ย19บเท่านนิดขนาดไหนฮะร่างของมลัอิกัตแต่ละท่านเนี่ยถ้าเราดูสิฟ้าหรือคุณลักษณะที่ท่านนาบีสุลตาระสัลลัมอธิบายว่ารูปร่างลักษณะของ ม, าามลัอิกัตที่เฝ้านรกแมล็กอัซบานียะเนี่ยขนาดไหนเนี่ย คงจะไม่พูดอย่างนี้แน่นอนนะครับอัลลอฮ์เดี๋ยวมาดูกันรอบหน้าบิณฑบาตุสุขานาะอัลลอฮฺวลลอฮฺท่านประลัมศรัทธาท่านประเิฐท่านะเสรานประเสริฐท่ะ่ระเสริฐท่านประเสริฐทนประเสริฐทานปรลิาระานะะะะะสาะะเราะะิะะเราะา